บางอย่างที่เราอนุโลมตามความต้องการของสาวโลกแทบจะไม่ปรากฏแม้แต่การทำบุญมหาธาตุการจัดการวัดมีมหาสพต่างๆเราไม่เคยมีมาสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ก็่าเป็นนักสุรกิจไปกันจะไม่ได้หยุดจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือ ไปเที่ยวโปรดเจ้าโจมแต่ไม่แน่นักว่าไปเที่ยวพระยาจโจโปรดหรือว่าไปโปรดเจ้าโจมกันแน่ก็ไม่ทราบอนนี้ก็ขอฝากให้ลูกศิษย์ูบาอาจารย์ได้นำไปพิจารณาเป็นการบ้านครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าไปรากท่านอาจารย์ฟัน้นทังทั้งที่ท่านก็ยังป่วยมีอาการร่อแล้เต็มทีก่อนหน้าที่ท่านจะขิ้นใจประมาณสามวัน พอไปปราบแล้วพยายามที่จะไม่ให้ท่านรู้สึกตัวแต่แล้วท่านก็สั่งพระเบนที่เฝ้าปฏิบัติอู่ให้เอาท่านลุกขึ้นล่าก็เรียนท่านว่าหมอไม่เหตลุกหมอไม่เหตลุกท่านก็ย้ำจะว่าเอาลุกขึ้นเอาลุกขึ้นในม้มาลุกขึ้นมาได้แทนที่ท่านจะพูดอะไรมือไม้ที่ยังสั่นเทาอยู่นั่นแหละอุตสาห์พยายามก็ยุยกต์ ขึ้นมาแล้วก็ขี้หน้าผู้ไปกลับแล้วก็บอกว่านี่อะไรครูบาอาจารย์ก็สอนแบบสั่งสอนให้หมดแล้วสามารถทําได้ดีด้วยแต่เสียอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปเพิ่มความขยันมากขึ้นพอเมื่อมันหมดรุ่นของพกเธอแล้วถ้าตโดงกรรมาฐานมันจะไม่มีเหลืออันนี้ก็เป็นโอวาทของท่านอาจารย์ฟัน้นซึ่งท่านท่านสักการไว้เป็นครั้งสุดท้าย อนเนกภาคี ท, ที่จะขอฝากเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเอาไปพิจนารณาเป็นการบ้านเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการระพฤตปฏิบัติของเราในสมัยปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าคลองหรือว่ากำลังถอยหลังเข้าคองการถือโตดงสวัสด์ต่างๆเรามีความเช่งทัดเพียงใดแค่ไหนอย่างไร ถ้าสนใจในปฏิปทาทีว่าประวัติของท่านอาจารย์มัน่นเราจะได้เครื่องวัดว่าความประพฤติของเราในปัจจุบันนี้มันย่อหย่อนหรือว่ามันตึงขึ้นเท่าที่สังเกตโดยทั่วๆไปแล้วบรรดาพระพิสุสา ม, มเณงที่อุปสมบทมาอายุพรรษายังไม่ครบห้าระเบียบพิธัยยังไม่รู้การแสดงอาบัติก็ยังว่าไม่ถูก แล้วก็เที่ยวตะพายบาตเดินพุดวงจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือในฐานะที่เรายังไม่เข้าใจระเบียบวินัยเพียงพอไม่ได้ฝึกหัดในสายจากผู้บาอาจารย์เราก็นำลัทธิการปฏิบัติกิยกิจไปไปให้ชาวบ้านทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแ ท, ท้จริงแล้วจะเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรม โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี่สื้อใหนักท่านจะต้องฝึกสอนให้กราบให้ไหว้ให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นจังคับิติโดยเอาหัวเข่ากับข้อศอกต่อกันวางมือลงราดกับพื้นนิ้วมือไม่ให้ผางเว้นระยะห่างข้อหน้าผากลงไว้ได้สบานที่อายงเคี้ยวกับหัอไม่มือเจ็บกัน ทำหลังให้ตรงไม่ทำโค้งโค้งแสดงกิริยามารยาทอันเรียบร้อยงดงามอันนี้เป็นวิธีกราบที่ครูบาอาจารย์ของเราสื่อนักมาในสมัยปัจจุบันนี้เท่ากี่ชำเรืองดูแล้วการกราบการไหว้เนี่ยห่างไกลจากครูบาอาจารย์เหลือเกินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะนำมาพูดแต่ว่าโอกาสที่ในนี้เรามาปรจ ะ, จะชุมกันมาก เพื่อหากว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะของเราบ้างาหากใครจะเนึกว่าเป็นเรื่องนำมาเป็นเรื่องประจานต่อหน้าทารกกำนันก็ไม่ควรอายเพราะว่าเราหวังดีต่อกันเพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้มาฟังเทศฟังธรรมกันบ้างนอกจากเรื่องการกราบลองลงไปอันดับต่อไปก็คือการว่าอัคระฐานสอนให้ถูกต้องตามอัคคระภาษาบาลี ให้ถูกต้องตามสำเนียงมาตภาสาแล้วลองลองลองไปก็เรื่องระเบียบขิไนไในเล็กเล็กน้อยน้อยเกี่ยวกับการรับประเานสิ่งของของอันใดที่เป็นยาวตาลิกยามกาลิกยาหาตาลิกยาวชสีบิกอาจจะไก็ลาผลอันใดที่มันเกิดขึ้นมาโครบาอาจารย์ท่านเคยให้เฉลยแจกแบ สงฆ์เพระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้ขาดตกบกพลองเพราะเราถือว่าเป็น ส, นสามัญญาจะบด้วยกันเราจะต้องดูแลสุขครบซึ่งกันไลกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพระภิกษุสงฆ์อาพาธเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษา แต่เท่าที่สังเกตมาก็รู้สึกว่าท่านผู้ใดไม่มีบุญบารมีเป็นหลวงพ่อหลวงตาไม่มีบุญบารมีมากถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงตกอยู่ในตาลำบากจะต้องพึ่งตาสายญาติโยมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์องค์หนึ่งเจ็บป่วยมาจากนครพนมชื่ออาจารย์ทองอโศกเป็นอาจารย์ผู้ทาจิตแระกาศาสนาทจิตตุละ เฟื่นโกโมกณนะเป็นมือขวาของท่านอาจารย์เสามตันภายหลังมาท่านป่วยอาพาธลงไปทีแรกก็ไปอาพาธอยู่ที่วัดก่อแก้วอำมพวันอำเภอาธาตพนมจังหวัดนครสนมภายหลังญาโจมก็นำมาที่วัดป่าบ้านสวนหัวอำเภอม่วงสามติจังหวัดอุบลในขณะที่ท่านมาถึงก็มีพระโคดงกรรมฐ า, านเฝ้าวัดอยด้านเส็จ พอโยมาไม่ถึงอาทิตย์ผูบาอาจารย์ผู้เจ็บป่วยมาพึ่งภาอาศัยบุญบา ร, รมีของพระคุณเจ้าเหล่านั้นท่านจะเห็นว่าการอุปถัมภ์พระที่สู่ไข่เป็นการลำบากเป็นภาละหรืออย่างไรไม่ทราบละเนนทั้งนั้นสะพายบาดแผบปกดหีไปหมดทิ้งพระอาจารย์ทองซึ่งอาพาธเป็นโรคลำบาภาธ ให้นอนแองแนั่งอยู่ในวัดป่าบ้านสวนหัวเพียงองค์เดียวในที่สัดต้องเดือดร้อนถึงเจ้าคุณจินนวงศาอาจารในพรรษานั่นจำตัาหาไปปณิบัติตลอดพัรษาในพรรษาเ0้าสิบวันมีเวลาได้นอนวัดเพียงสิบสองวันเท่านั้นเองลอกนั้นประจําพรรษาที่อื่นจนกระทั่งท่านอาจารย์องค์นี้ถึงแก่มรรลณ า, าพาตรงไปจากการตกเสร็จจึงได้หมดภาลั อันนี้ก็เป็นสิ่งบกพร่องอันหนึ่งสำหรับลูกสิษย์นักปฏิบัติของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นข้อวิัยอันเส่งพัดเสียสุสงอ า, าพาตเกิดขึ้นในอาวาจใจต้องเป็นหน้าที่ของพระพิสุสามเณรนในอาวาดนั้นจะต้องอุปถาดูแลรักษาหาหยกหายาหาหมอมาปัจบานรักษา ถ้าพิสูกใจได้ได้ว่าเห็นสหาธรร ม, มิกของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธลงถ้หาหากิดว่ามันจะเป็นภาณะยุ่งยากรีบออกหนีไปจากอาวาชนั้นเสียพระวินัยท่านปรับอาบัรก็อากความอึดเพื่ อ, ม อ, มอไม่เอาใจใส่แม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ากาลังจะเจ็บเจ็บตับขันปารินิพัน ก็ยังมีพระพิสุโองหนึ่งมาคิดว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอันใดเราจะรีบเร่งปฏิบัติเพื่อให้ได้อราหาันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จตัดขันธะปรนิพานพระอราหาันในภาพคุณชนทั้งนั้นซึ่งสนใจในการที่จะปรนิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่านวากาองและนวากาพิสุองนั้นไม่สนใจกับเิตการของสง จึงได้ยกเป็นนาทีกร์ขึ้นมาถือว่าท่านทำผิดแล้วก็นําข้อความไปประาศทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียบมารับสั่งถามว่าเธอปฏิบัติอย่างนั้นจริงหรือมีเหตุผลอันใดพระเทสโกบายองค์นั้นกดโทนว่าข้าเจ้าองค์ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จสับขันธะเปรติ พ, พานแล้ว พระองค์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลใดๆทั้งสิ้นเจึงตัดสินใจเด็ดเดีดเด่ยวจะบำเพ็ญเพียนภาวนาเพื่อให้ได้อนาคันมาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จรินิพพานจากไปเสียในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบเช่นนั้นก็ยกย่องสรรเสริญพระพิสุองค์นั้นว่าดีแล้วพิสุดีแล้วพิสุ ร้อยพ่อพิสูจน์ทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่พึ่งเอาตัวอย่างพระองค์นี้แล้วเราจะได้ติดใกล้ดีนี่ในสังคมของพระอนาหารต่อหน้ากระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ยังยกเครื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นอธิกรที่สุดขัตทจนี้ถ้าหากว่าในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากข้าพเ ม, มิของเราไปทอดทิ้งพระภิกูจอาพาธโดยได้เอาใจใส่อุปัถ า, าสูแลรักษาพยาบาล เราสมณะสากาญบุตรจะหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยปรมีของใครหนออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์ในสายนี้ที่ท่านถือเป็นเรื่องเค้่งนักหนาจะว่าจะในอาวาสเดียวกันแม่พิสตรในอาวาสอื่นเกิดจาก เ, าเกิดอ า, าพาธสงท่านจะต้องส่งพระเิโุสามเณรองค์ใดองค์หนึ่งไปช่วยพยาบาลรักษาซึ่งมันเป็นสิทธุละหน้าที่ แม้สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงรับสั่งสันเสริญว่าผู้ใดอุปถัมภะถาพระภิสุอาภามีอาเิสูงเท่ากันกับอุปถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราสาธุที่ท่านทรงยกย่องไว้ถึงขนาดนั้นก็เป็นการกระตุ้นเตือนใจพระภิสุสงค์ไม่ให้ทอดทิ้งกันในยามยากดังนั้นในปกติแล้วเรามีปัจจัยสี่เกิดขึ้น เราไปสู่สองฆ์จะต้องพิจารณาแจกแบ่งกันไปตามฐานอานุรูปเพื่อแจกแบ่งกันใช้แจกแบ่งกันฉันพอให้มีชีวิตยอยู่มีกำลังพอประพฤติลดค ม, มจันย์ไม่ใช่ว่าจะแจกแบ่งเอาไปเพื่อความดั่งดุไวหรือไปสะสมเอาไว้ให้มันบูดมันเน่าโดยปราศจาก ป, ประโยชน์เพราะฉะนั้นโพชเนมัตตันยุตตาการปฏิบัติธรรมเ้องถือหลักโพชนะโพชนะรู้จักประมาณในการบริโภค การบริโภคนี้ไม่เฉพาะแต่บริโภคปัจจัยสี่แม้แต่การจะพื่งวัดข้อวัดปฏิบัติก็ควรจะรู้จักประมาณดังนั้นในธรรมจักรสัพพวัตนสูตรสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าเวเมพิโกเวอันตาปะพเจตนาณเสวิสภาดูกรพิโสทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันภัพอันบัคกตไม่ควรต้องเส เจอการมาสุขพันธิกาโนยโยกการประกอบตนให้พัวพันในความสุขมากเกินไปคือเกินพอดีอันนั้นมันเป็นเรื่องของปุถุชนเป็นเรื่องของชาวบ้านในใชเรื่องของสามัญาอาตากิเลส ม, มาถาโนยโยกการประทุตนเพื่อทรมานตนให้ได้รับความลําบากโดยเข้าใจว่ากิเลสมันจะเกิอดแห้งไปเพราะการทรมานตนอันนี้บพัพขี้ก็ไม่ควรต้องเสีเพราะมันเป็นเรื่องที่ เป็นการทรมานตนโดยปราศจากประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างใดมัจจิมาปฏิปทาสถาคาเตนะอภิสัมพุท ธ, ธาทางสายกลางคืศีน ส, สมาธิปัญญาการปฏิบัติพอดิบพอดีไม่ยิ่งนักและไม่หย่อนนักเป็นทางสายกลางเป็นแนวทางที่ดำเนินไปสู่ความสำเร็จอริยมรรคอริยชล ดังนั้นตัวอย่างแห่งการถือในสัจเจกถาโตดงตามแบบเจ้าคุลเจ้าอุบาลีสิริจันโทจันท่านเจ้าพระคุณอุบาลีสิริจันโทจันสอนให้ลูกศิษย์ถือโตดงขวัตเกี่ยวกับการอยู่ในสัจธิท่านบอกว่าใครสามารถที่จะอดตอนตลอดเพืนย่่งลุ่งก็เป็นการดีแต่ถ้าอดด้วยการประพฤติปฏิบัติความเป็นเพียนภาวนา ถ้าอดตอนด้วยการคุยกันให้สนุกเพราะาเวลาแก้โวงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดท่านจึงสอนให้ลูกศิษของท่านถือโตดงอย่างหนึ่งให้เข้งทัดเคยฝึกหัดนอนเวลาสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นเวลาสีสามฝึกหัดให้ได้ทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยจนกระทั่งว่าถึงเวลาสี่ทุ่มแล้วไม่อยากนอนมันก็ง่วงหลับไปเอง พอถึงเวลาตีสามแล้วไม่อยากตื่นมันก็ตื่นเองตื่นแล้วนอนลงไม่ได้เพราะนิสัยมันเคยชินท่านอาจารย์เต๋อในฐานะที่ท่านมีส่วนทำพันกับพระอุบาลีคุณูปมาจารดิจันโทจันท่านก็ย้ำสอนลูกศิษลูกขาในเบื้องต้นให้ฝึกฝนอบรมตัวเองฝึกขาดตัวเองให้จำวัดเวลาสี่ทุม ก่อนจะถึงสี่ทุ่มให้เดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาดูศึกษาข้อวิในในสำนักครูบาอาจารย์ท่านไม่นิยมในการที่จะคลุกคลีด้วยโมนะด้วยการคุยด้วยการสนุกเลิดเสิร์นหรือด้วยการอยู่การกินใดๆการหลับการนอนให้เพ่งพลัดในการปฏิบัติเดินผูวตรงนั่งสมาธิภาวนา พอถึงตีพส่มแล้วก็จำวัดหลับไม่หลับก็นอนมันถูกอย่างนั้นจนกระทั่งถึงตีสามตั้งแต่ตีพส่มถึงตีสามนอนไม่หลับทั้งตืนพอถึงตีสามแล้วไม่ยอมนอนต่อไปลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดหได้ใสจนมันเคยชินจนคล่องตัวถ้าใครปฏิบัติบัด ต, ตามโอวาทที่ท่านแนะนําอันนี้เป็นการฝึกหัดตุกติดในขัน้นต้น ้าไใครปฏิบัติได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเปิดเผยออกมาสอนทอดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นก่อนที่จะรับลูกศิษย์เข้าอยู่ในสำนักใครเข้าไปอยู่ในสำนักของท่านในตอนแรกๆท่านจะมีตด ก, กับตดด่ดากับดา่าทำผิดท่านก็ดุทำถู ก, กท่านก็ด่าทำผิดท่านก็ดุทำถูกท่านก็ดุดเอาอยู่อย่างนั้น นจนกระทั่งบางครั้งบางปีผู้ที่จะไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านทนไม่ไหวกะพายบาแบบดแผลปดหนีไปถ้าหากเวลาล่วงเลยเป็นหนึ่งปีมีอะไรอาจารย์มั่นจะสอนให้หมดท่านถสือว่าท่านได้กลั่นกรองแล้วข้าก็ไม่หนีตีก็ไม่วิ่งคนคนนี้เป็นคนที่จะอบรมสั่งสอนได้เป็นคนมีอุ ป, ปนิสัยครั้นต่อไปแล้วท่านมีอะไรดีๆท่านก็สอนให้หมด อย่างปู่บาอาจารย์ของเราที่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังเช่นหลวงปู่สิมหลวงปู่แว่นหรือท่านอาจารย์เหลีย่ยญอาจารย์บัวผาโดยผ่านสำนักของปู่บาอาจารย์มัน่นอาจารย์เสามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ต้นของท่านอาจารย์เสาที่ยังเหลือข้างอยู่เวลานี้ก็คือท่านอาจารย์บัวผาเพียงองค์เดียวหลอกนั้นก็สึกหาลาภเพล้มหายตายจากไป อาจจะนับีกองค์ที่สองก็คือเจ้าคุณจินรวงศสาอาจารย์ท่านอาจารย์บัวพาก็ไม่ค่อยติดไม่ค่อยปูกเระติดนิสัยของท่านอาจารย์มั่นแตที่แบบแนวปากเกาะหน่อยก็คือเจ้าคุณจินรวงศาอาจารย์ซึ่งเป็นลูกติดคนสุดท้ายของท่านอาจารย์เสาอันนี้เป็นปฏิปทายอดยอดของโคปาอาจารย์ที่นํามาเล่าเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สหธรรมิ ในหลักการสอนกรรมาฐานของท่านอาจารย์เสาท่านเริ่มต้นด้วยการให้บริกรรมภาวนาพุทโธเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธทําจิตให้เป็นสมาธิคล่องตัวจนทำให้ทานานพอสมควรแล้วเพื่อจะให้จิตมีสติ ป, ปัญญาเก้าขึ้นสู่ภูมิแห่งนิพพ า, านอันดับที่สองท่านสอนให้พิจารณากายาศิตาสติ ให้พิจารณาผมผนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้มองเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกการพิจารณากายแลกติท่านถือกติเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งพิจารณาไปโดยอนุโลมปฏิโลมไปตามลำดับจนครบอาการสามสิทธองและอีกอย่างหนึ่งท่านให้พิจารณาเพียงอย่างเดียว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 ในที่สุดเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะได้นิมิตมองเห็นโครงกระดูกบริเวณหน้า อ, อกหรือมองเห็นโดยทั่วตัวในไม่เห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้วก็เพ่งต้องมองดูที่โครงกระดูกจนกระทั่งโครงกระดูกมันแหลกละเอียดสลายตัวไปหรือได้อสุภะกรรมฐานในเมื่อพิจรารณาอสุภะกรรมฐานรู้จริงเห็นจริงอันเป็นอุบายระงับราคะความกำหนัดจิตดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลมจิตใจ เพื่อจะได้มีโอกาสําเป็นเปียนภาวนาในขั้นต่อไปเสร็จแล้วพระอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจรารณาร่างกายให้มองเห็นโดยความเป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไปเพืยย่อแยกออกไปว่าร่างกายนี้มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไป ใ่เมื่อแยกออกไปแล้วก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาให้มองเห็นเป็นใเมตตว่าร่างกายนี้มีแต่ดินน้ําลมไฟกันแท้จริงจนกระทั่งจิตยอมรับว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในดินน้ําลมไฟไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์ก็อาศัยดินน้ําลมไฟจั่งคมกันอยู่มีปฏิสนธิวิญญาณมายึดครองโดยความเป็นเจ้าของเพราะอาศัยกิเลสตันหาอุปาทานกรรม จึงทำให้เราเกิดยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนยึดว่าของเราของเขาร่างกายของเราของเขาในเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ <c oughs> หารบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวด า, าก็ได้อนาตานุปัสสนาญาจเห็นว่าร่างกายเป็นอนตาตตาหมดทางต้น ภูมจิตภูมิใ จ, จก็ก้าวขึ้นสู่ภูมแห่งนิพพานาเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นปฏิปทาของท่านอาจารย์เสาและอาจารย์มัน่นที่เคยได้ยินได้ฟังมาเสียงเล็กๆน้อยๆนำมาเล่าเพื่ออาจจะเกิดประโยชน์แก่กบวกการนักปฏิบัติบ้างดังนั้นการแสดงธรรมะอันเป็นคติเตือนใจในบัดนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่ตาละเวตา เวลาผ่านไปถึงห้าสิบสามนาทีก็เห็นว่าพอสมควรถ้าจ ะ, จะแสดงไปมากนักท่านก็เพียงครับเกี่ยวกับการฟังธรรมถ้จนบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นการลบปวนโสตประสาทเยงใครที่จะขอสมมติสติลงด้วยประการนี้การรู้ธรรมเรียนธรรมก็เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ ท่านสอนของต้มเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าทั้งนั้นทั้งนี้มีถึงแปดเปิดสี่พันพระธรรมคันธ์เป็นเพียงหลักวิชาการเป็นทฤษฎีเป็นสูตรที่ให้เราอาศัยเป็นเครื่องมือเพื่อค้นฟ้าหาความจริงตามกฎ ธ, ธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราจะพยายามทำจิตใจให้ยอมรับก็คือกฎธรรมชาติที่เป็นผลเกิดจากการกระทำ คนเรามีกายวาจาเล็ดใจไตรทวารทั้งสามเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญแห่งบาปในเมื่อเราทําอะไรลงไปด้วยกายวาจาเล็ใจทําลงไปแล้วจยอมมีผลโต้ตอบคือเราจะต้องรับผลกันนั้นอย่างแน่นอนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าสอนอันนี้เป็นกฎธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกระทําของเราเอง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 ได้โอกาสที่จะบำเพ็ญเพียงภาวนาด้วยความสบายใจเป็นอย่างยิ่งการแสดงคำอันนี้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังอยู่บ้างโลยจะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลขอวิเศษถวายเป็นดอกไม้บูชาบุรพาอาจารย์ที่ร่วงลับไปแล้วและเป็นการขอสมาบูบาอาจารย์ที่ยังดำรงศีวิจุ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 การละอิเลกของพระโสดาบันในขั้นนี้เป็นแต่เพียงละเิตตาทิฏฐิสตายาทิฏฐิคือความเห็นเข้าข้างตัวหรือพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นจะขันห้าไม่เกี่ตัวไม่เกี่ยตนพระโสดาบันแม้จะละขันห้าไม่ได้แต่ก็ละความเข้าใจผิดเพื่อยอ้อนเพื่อคำเทศของพระพุทธเจ้า ว, ว่าโลฟังอนัตตา เวทนาอนัตตาสัญญาปัญญาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระโสดาบันฟังแล้วพระโสดาบันก็ไม่เสียงพระพุทธเจ้าถ้าพระโสดาบันองค์ใดยังเสียงพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าโลกเวทนาสัญญาสัญญาางขารวิจาาเป็นอนัตตาถ้าท่านพูดนั้นว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ยอมรับและไม่ยอมกกรับสภาพความเป็นจริงไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ไชื่อว่าผู้นั้นไม่ใช่พระโสดาบันการละกาญจิทิสฐินี้เป็นแต่เพียงละความเห็นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายถึงการละกิเลสไม่ได้หมายละโลกเวทนาสัญญาตังขานวิญจญาณเด็ดขาดลงไปพระโสดาบันยังยึดถือในเบญจขันธ์อยู่ยังถือว่าเบญจขันธ์นี่เป็นเราเป็นของเราแต่ไม่ปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้า จังนั้นตโสดาบันแมละัสะกายะทิฏฐิแล้วก็ยังต้องมีราคาความกำนักยินดีอยู่ปัญหาี้ขอให้คำตอบเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณบา ร, รมีของท่านเองด้วยของครูบาอาจารย์ด้วยและด้วยอำนาจคุณของพระพธธรรมประสงค์อันเป็นสันนาที่ถึงจึงช่วยเป็นปัจจัยปุดหนนเพื่อปุต ถ้างจิตของท่านทั้งหลายให้บรรลุถึงคุณธรรมอันสูงสุดคือมรรคนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเถิด